มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาสัตตมวักสมณะทุตสีละขีหิทุตสีละปัญหาที่สี่ถามว่าสมณะทุศสีลกับคฤหัสถุศสีลใครจะดีกว่ากัน ราชาอาหะสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโอการตรัสถามปัญหาอื่นว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเส์ผู้ปรีชายานคารหัตทุสีนกับสมณะทุสี น, นั้นโกจิวิเศโสข้างไหนจะดีกว่าตกว่าสมณะทุสีนคารหัตทุสีนสองจำพวกนั้นจะมีคติ มีผลเสมอกันหรือว่าจะต่างกันพระนาคเกษนผู้ประกอบไปด้วยปัญญาจึงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐขันหัดทุศี น, นี้จะเหมือนสมณะทุศีลหาไม่ได้อันสมณะทุศีลมีคุณสิบประการมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร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 เป็นที่พึ่งประการหนึ่งสมณะทุสีนยังทักษีณาทานของทายกให้สาเร็จผลด้วยภาวะถืออนิเกตะวาสีคือไม่สถิตอยู่ติดถินมิได้มีความห่วงใยในที่อยู่อาศัยอนิเกตะวาสีนี้เป็นประธานประการหนึ่งสมณะทุสีนยังทักษีณาทานของทายกให้สาเร็จผล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 อันสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสดาจารย์ตรัสจำแนกไว้ในเวยากรณะคาถาในทักขินาวิพังฆาสูตรในมัชชิมะนิกายอุปริปันาตว่าโยศีลวาทุศีเลสุททธาติทานังทมเมนละลัทธังสุปสันณาจิตโตอภิสัทธิกกร ม, มพลังอุลารัง